ใครหนาวก็ใส่ผ้าไม่ชีก็มีเสื้อกันหนาวนะพระสงฆ์ก็มีผ้าคลุมไหล่ผ้าคนนู่ผ้าอะไรก็ห่มได้นะเพียงแต่ว่าพระสงฆ์เราเนี่ยไม่ควรที่จะนุ่งเสื้อผ้าแบบโยม คือแน่นอนน่ศาสนาพุทธหรือพระสงฆ์เนี่ยรูปแบบในอนาคตเนี่ยมันจะต้องนุ่งเสื้อผ้าในอนาคตนี่นะแล้วก็จะบอกว่าผ้าไตรจีวอคืออันนั้นเนะคือแล้วแต่ที่จะหมายความถึงยังไงอย่างในประเทศจีนเขาก็มีแบบหนึ่งเกาหลีพกเนี่ยเกาหลีจะเป็นสีสีหนึ่งผ้าสลบ มิถิประเทศไทยเราก็สีขาวแต่ถ้าไปทงางพม่าเคยเป็นสีชมพูสีแดงอนี้ผ้าถุงสีแดงผ้ามีผ้าสังคาติดยได้เขาถ้าห่มผ้าคลุมทีวอนเขจะเป็นสีชมพูเสื้อเขาก็าจะต่างกันไปแล้วแต่แล้วท้องถิ่นแล้วแต่ว่า ว, วัฒนธรรม แต่ในระยะนี้ความหมายพระตะยีวรเราเหมือนพื้นนาของชาวมคตใช้ห่มตามรูปแบบที่บุรภาจารย์ทั้งหลายท่านถือมาเรียนรู้มาอย่างหลายหลายคนจะชื่นชมลุงพ่อเทียนซึ่งท่านเป็น บุคคลผู้เป็นแบบอย่างการเจริญสติการใช้ชีวิตของท่านง่ายๆอ่ะจะร้อนจะหนาวท่านก็ไม่อุทลิไปใส่เสื้อผ้าอะไรประมาณเนี้ยนะคือท่านทําเป็นตัวอย่างแต่ในกรณีที่จะเป็นแบบใส่ผ้าเซนใส่อะไรประมาณเนี้ยท่านทําเพื่อสอนคนขื้นในกรณีที่จะทําเพื่อสอนคนท่านจะทําแต่ทําเพื่อให้เกิดความสุขส่วนตัวท่านท่านจะไม่ทํา บ่งบอกทุกว่าออป้องกันร้อนหนาวจนกระทั้งวัดไม่ใส่ใจเรื่องพระธรรมในไหนเนี่ยหลงป่เทียน ท, ทำไมเอาถามว่าดูดีไหมมันไม่ได้อยู่ที่การดูดีเวลาใส่แล้วมันได้ประโยชน์อะไรนี่ถ้าใส่แล้วสังคมถามว่าเป็นยังไงปัจจุบันนี้คนเริ่มใส่เสื้อใส่หมวกกันเยอะขึ้นพระสงฆ์เราเนี่ยเริ่มหนาวมาก ปกติเขาข่มเป็นปริมณฑลข้างล่างก็จะเสมอกันนะใส่นุ่งสะบงเนี่ยพับสามครั้งแต่ถ้าเป็นธรรมยุทธเขาก็จะใช้ม้วนเข้าไปเลยนะม้วนแบบกลมๆเข้าไปสะบงนะพันพันม้วนมว น, มวนกลมๆเขา้าเวลหม่มวันนี้เราเรียกว่าห่มม้วนลูกบวบจีวอ อีประเภทหนึ่งก็ช้อนขึ้นมาจากข้างล่างแบบมหานิกายเขาจะม้วนลากขึ้นมาจากข้างล่างเราเห็นนะแบบอย่างของกันนุ่งห่มก็คือท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านเจ้าคุณประยุทธ์พระผมคุณอาพรวิธีหม่มผ้าท่านก็ห่มแบบตามแบบนะในหลักสูตรนักธรรมจะมีวิธีหม่มผ้าทำทูหรือทำเอีกเนี่นะ ก็เป็นแบบอย่างไปซะแบบหนึ่งแบบมหานิกายแต่แบบหนึ่งแบบธรรมยุทธมหานิกายเขหม่มเวลาหมนะ่มแล้วเขาเรียกว่าห่มดองห่มดองก็พับจีวร อ, อย่างนี้เป็นกลีบเหมือนสมณีนเขาห่มนะห่มปุ๊บแล้วก็รัดเจ้าคุณวัดพระนอนจกักรสีนี่ท่านจะห่มดีหลวงพ่อบุญธรรมเนี่ยในวิธีการในหลวงพ่อบุญธรรมนี้ท่านจะห่มผ้าดูดีที่สุดนะในเป็นพระมหาเทระ ที่เราเคยเห็นเนี่ยท่านจะเรียบร้อยฉันอาหารก็เหมือนกันนะเวลาฉันอาหารเนี่ยท่านเสร็จปุ๊บถ้วยท่านนี่จะสะอาดเกี่ยงเก้าเช็ดดีเหมือนไม่ไปล้างต่อก็ได้นะแต่ท่าจะเก็บเป็นระเบียบมากสําหรับกับข้าวคือทําสะอาดดีมากเป็นคนตัวเล็กๆคือหน้าเรื่อมใสอ่มีโอกาสเคยรับใช้ท่าน เวลานอนอยู ì, apers, ่ใกล้ๆกันเนี่ยท่านจะลุกเบามากตั้งแต่เช้าลุกขึ้นสักตีสองสี่สิห้าตีสามเนี่ยท่านเดินที่กลมละนอนอยู่ในกุธิเดียวกันในยัได้ยินเสียงสัตสัเบาๆลอยเท้านะเสียงฝีเท้าท่านเดินนั้นเราอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีความละอาย ปฏิปทาท่านดูดีอ้าวคนนี้ก็ทาดีคนนี้ก็ทำดีำ ด, ดูสวยงามปฏิปทาก็น่าเลื่อมใสนะคือบางทีใจเราไม่ได้หนาพอที่จะดืดดานนะแล้วสวนมนต์วัดทุกวันมนต์ก็เป็นเหมือนมีดเหมือนพลาถากถางจิตใจเราในส่วนที่เป็นกิเลสตนะัณหาอะไรกัน ถากออกถางห อ, อกจะรู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นมีความละอายในพุทธว จ, จนะที่เราสวดเนี่ยเหมือนมีพระพุทธเจ้าคอยดุคอยดา่าเราบางคนฟังสวดครั้งเดียวอ่านครั้งเดียวกระทบใจเลยนะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยอะ่ะโอ้ไปห น, นีเนาะแต่บางคนอ่านหลายรอบจนเป็นความเคยชินไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้อะไรเลย ทีเราสวดนี่สวดหนังสือมหาสติปัฏฐานก็ไม่เข้าใจอะไรสวดบทสวดมนบ ท, นบทพิเศษอะไรต่างๆไม่ได้กระเทือนจิตใจเราเลยเราไม่รู้สึกอะไรขึ้นมาว่าท่านสอนอะไรเราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราไม่เอาน้อมนำมานึกคิดพินิจพิเคราะห์เจาะเข้าไปสู่ตัวปัญหาของชีวิตเราได้เลยแต่บางคนนิดเดียวนะ ได้ยินเขาเล่าให้ฟังไม่ใช่อ่านนะเยตาหมายตุปปภาวตีสังหิตุงตธาเกโตเตสันจะโยนิโรโตจะเอวังวัติมหาสัมโนไปเจอมหาสมณะมาท่านมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้ว่าอืมทำทั้งหลายมาจากใจสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุมันก็คือจิตไม่รู้เท่าทันความคิด ภาษาเนี่ยก็เรียกว่าจิตภาษาเราเรียกว่าความคิดไม่ถูกเท่าทันความคิดเวลาความคิดปรุงแต่งไปมันทุกนะถ้าจะทําไม่ดีลองดับที่ความคิดดูดิพอดับความคิดดับปัญหาทั้งหมดเนี่แค่นี้เขาก็ได้ดวงตาเห็นดําและพระโมคคัลลาสาธีบุตรมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่จะยืมมาเอามาเล่าเฉยเฉยเนี่ยคนที่มันเบาบางเหมือนดอกไม้ที่มันใกล้จะบานเนี่ยมันบานได้เลย ของเราในบางทีทุบแล้วทุบอีกบอกแล้วบอกอีกเน้นําแล้วเน้นําอีกสอนแล้วสอนอีกอย่าทํามานั่นนะอย่ามีอันนี้นะขยันขันแข็งนะปล่อยวางเดืออุปทานทั้งหลายเป็นคนสังเกตเป็นคนรู้รู้สึกรู้สึกว่าท่นี้เรารู้สึกว่า มันน่าจะทําแบบนั้นน่าจะทําแบบนี้เราก็พัฒนาไปตามทีนี้สิ่งเหล่านี้นี่เราอาศัยสิ่งที่บุรพายชาันทั้งหลายปฏิบัติมาอันไหนถูกอันไหนควรมีพุทธวจนะเป็นตัวแกนหลังในการพัฒนาไปจ น, ะนทั้งมาสู่การทําความรู้สึกตัวจะช่วยให้เราเห็นว่าสิ่งที่ทําปัจจุบันเนี่ย คำสอนนี่มันถูกมันผิดก็มีสติเป็นตัวสแกนไปด้วยเราจะรู้จะโอ้ท่านสอนมาตรงกับว่า น, นั้นนะท่านบอกกล่าวชี้แนะมาอันนี้ถูกต้องเนาะอันนั้นสมควรนะเนี่ยมันเชื่อมเข้ากันได้แล้วก็ปฏิบัติต่อไปให้มันมีการพัฒนาขึ้นนั่นพอได้ยินพุทธวจะนะอะไรทั้งหลายก็จะมีความเลื่อมใสศรัทธานะ จิตนะเลื่อมเนี่ยจิตมันเลื่อมจิตมันใสมันเลื่อมใสมีความศรัทธาน้อมใจเชื่อแล้วก็บระพฤติปฏิบัติตามซึ่งก็จะได้ผลดีมีอะไรมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่มีวิปฏิสานปรากฏเกิดขึ้นกับจิตเราก็มีความปกติความสะอาดขึ้นมาภายในใจก็ตื่นเบิกบานอยู่ได้เรื่อยๆ อืวันคืนล่วงไปล่วงไปแบบ น, นี้เราทําอะไรอยูอ่เราก็รู้สึกว่าเ อ, อจิตมันเบาลงนะบางลงสบายขึ้นแทนที่จะไปคิดเรื่องนอกตัวเรื่องโน้ตตั้งแต่เป็นเรื่องโลกโลกเรื่องอะไรประมาณนั้นเราก็สลัดทิ้งซะนะไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแเรวอาจจะอยู่กับการกับงานก็ได้ปัดกวาดทาความสะอาดโน่นนี่เสร็จปุ๊บเอา พยายามดูมันตามเทคนิคการปฏิบัติจริงๆก็คือเฝ้าดูนะสติเฝ้าดูจิตอยู่เรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆในขณะเดยียวกันถ้ามันมากไปเราก็ต้องหลบเหมือนเราดึงวัวดึงควายนี่แหละมันวิ่งมากตัวมันตกมันมันมีปัญหาเนี่ยเที่ยวจัดเราก็ดึงดึงไม่พอเราก็ไปผูกใส่ต้นไม้ไว้อย่างเงี้ยเอาไปเกี่ยวไปคล้องกับอันนั้นอันนี้ไว้ แล้วอยู่กับการแปรงฟันดูทีอยู่กับการซักผ้าดูทีให้มันเบาๆลงแล้วก็ทําความเพียรใหม่อ่าปล่อยสักพักหนึ่งไปเดินจุกกรมดิทําความเพียรดิมันก็จะกลับคืนมานะตัวรู้เราเนี่ยคืออ่าสู้ตรงๆไม่ได้ก็หลบบ้างหลีกบ้างเลี่ยงบ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะมันก็จะคลายขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆเรยๆปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมานะ ด้วยเหตุผลพวกนี้แหละดังนั้นอาศัยการเฝ้าดูศึกษาเรียนรู้อืรู้ตัวจนกระั่งว่ารู้ตัวกิเลสเนี่ยนะไม่ใช่รู้สึกดูตัวหยาบหยาบนี้แล้วรู้ตัวหยาบหยานี่ก็เป็นตัวรู้นั่นนี่ยรู้หยาบหยารู้ตัวะจะรู้ละเอียดลงมารู้ลมหายใจก็พ้อยละเอียดลงไปหน่อยแต่จะให้รู้ลึกลงไปอีกก็คือรู้ตัวคิดน่ตัวประดุงแต่งอืม ตัวคิดตัวพวงแต่งตัวฟุวงซ่านเนี่ยให้รู้เท่าทันมันฉะนั้นปัญญานี่ก็จะเกิดขึ้นจะมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นก็คื อ, คอรู้เข้าใจว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมักนั่นแหละปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยโอ้มันทุกข์พราะคิดแเ้าเนี่ยอืเหตุมันคือไม่ทันความคิดน่นเนี่ยสติมันน้อยเนะทำสติให้มากทันความคิดความคิดดับได้เป็นนิโรธขึ้นมาะแล้วก็ ทำไงมันจะนิโรธต่อเนื่องได้นั่นคือปัญญาเหมือนเรากินข้าวกินข้าวนิโรธแล้วหายหิวแล้วอแต่ว่าถ้ามันไม่ดับถาวรในภาษาเขาไม่เรียกว่านิโรธต้องหิวอีกอีกสนําก็หิวอีกกินอีกหิวอีกกินอีกแต่พุทธธรรมมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะแล้วก็พยายามก้าวไปสู่จุดที่อไปอย่างไม่เล้ยวกลับไปถึงที่เราไม่เศร้าโศกไม่มีตกกังวลอะไรประมาณนั้น มันไม่คืนด้วยงไงกิเลสไม่คลายคืนนะมันคลายไปแล้วมันไม่กินกลับเข้ามานั้นอาศัยพุทธพจน์อาศัยการทําวัดสวดมนต์บางอาศัยการปฏิบัติส่วนตัวบางอาศัยความเพียรการสังเกตพวกนี้ยคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการของโพชทธชงให้ได้ื่อก่อนมีขนาะแย่โยมมาคุยเรื่องล่วงเขาบอกว่าเขาคุยมาเรื่องโพชทธชง ได้ยินในเทปว่าเป็นการเดินเจ็ดเก้าของโพโหได้เจ้าเขาก็ไม่ยอมมาจะมาถามว่าก็าแสดงว่าการเดินด้วยเท้าไม่ใช่ถูกดิที่สอนกันมามันไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอ่ะนะถ้าเข้าใจว่าการเดินด้วยเท้าแล้วมันนําไปสู่การเกิดปัญญาสามารถรู้ทุกสมุทัยนิโรธมากได้ก็คือใช่อนะ ถ้ารู้แล้วเกิดความยึดมั่นถึงมันว่าอันนั้นใช่ไม่ใช่มันก็ถูกข์อีกล่ะเนี่ยมันต้องรู้รู้อะไรก็ตามมันถูกมันถูกเนี่ยวัดตรงที่มันแก้ทุกได้นั่นแหละถ้ามันแก้ทูกไม่ได้ก็ไม่ถูกนะหรือเอาไปปฏิบัติไม่ได้มันก็ไม่ถูกเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเอาไปปฏิบัติไดนะ้ต้องเอาไปปฏิบัติได้นะต้องเป็น อาทิสนาปาฏิหารไม่ใช่อิทธิปาฏิหารความเพียรระลึกรู้ถึงการเข้าสู่หมวดหมู่เป็นหมวด้ัก็เรียกว่าโหมดนั้นของการระลึกรู้เนี่ยตามหลักของโพุทชงก็ต้องเจริญไปทำลำดับนะจากสติ ก็มีเขาไม่ได้พูดถึงนะเรื่องศรัทธานะเป็นเรื่องสติเลยะปฏิบัติธรรมนีม่เกิดสติแล้วได้สติได้ตัวรู้มาพอได้ตัวรู้มาก็เกิดการสังเกตเกิดธรรมวิจัยคนยังไม่ได้สติก็จะดูไม่เป็นนะมีความขยันมากขึ้นบางคนก็มีธรรมวิจัยนะแต่ว่าไอ้ความขยันที่มากๆขึ้นนี่ยมันไม่มีเนะมื่อไม่มีตัวปิติ ที่จะหนุนอารมณ์ที่ทําให้เรารู้ตลอดเวลาแบบลโลง่งเนี่ยปิติในระดับเนี่ยเราไม่มีเขาเรียกว่าปิติปราโมทอบเอบอิม่มยินดีพอใจบานทีเขาเรียกว่าอยากศรัทธายานสัมปยุทธ์มีศรัทธามีความใครอยากปฏิบัติธรรมอยากทําความเพียรโดยที่มีตัวปราโมทอยู่ในใจนตัวเลืกรู้เนี่ย มันไม่ใช่ปีติธรรมดานะมันผ่านสัจจะเริ่มคลอดออกมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆนั้นเราดูเลยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราทิฏฐิมานะราคะตัณหาเรามันลดลงนะถ้าปฏิบัติทำแล้วเหมือนได้อารมณ์เ น, นี่นี่แต่ไม่เกิดปัญญาสาทนีนี่คือเราไม่รู้ว่าเราจะชำระอะไรใจเราเนี่ย ว, วันวันหนึ่งเราก็เล้งเดียวจะให้ได้ปีติได้ได้มีความสุขอะไรประมาณเนี่ยแต่ไม่เห็นว่าเราอามาชำระล้างอะไรปัญหาในใจเรามีอะไรเราไม่เคยเห็นนะแต่สังเกตว่าบางคนเนี่ยแค่จเจริญสติไม่เกิดปิติไม่เกิดสมาธิเลยก็เปลี่ยนไปเลยชีวิตนะอย่างหน้ามือเป็นหลังมือไว้มีโยมคนหนึ่งอะโยมคนที่ ตั้งโต๊ะพนันบอนนั่นน่ะเขามาปฏิบัติธรรมที่แรกเขาตั้งใจว่าจะบวชนะเขาปฏิบัติทําความเพียรไปจะมีความเข้าไปเลยชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ก่อนเคยกินเหล้าเคี้ยวยาเคยโกรธเคยอะไรอ่างนีะเนี่ยที่แล้วเจอภรรยาเขาเขาก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ สงครั้งมื่ภปัญญาเขาแต่พึ่งพึ่งรู้จักอารมณ์พิ่งได้อารมณ์แต่ก่อนเขาพาทำก็ททำไปงานไหนลงตาเห็นนะเพราะว่าเขาเลี้ยงดีบอกไม่ได้ทำการทำงานอะไรเลยภรรยาเนี่ยผู้ชายเขาเลี้ยงดูแลแต่ก็ไปปฏิบัติทำคนละยองปรากฏว่าเอา้างวดนี้ มันเริ่มหายสงสัยอ่ะได้สภาวะทำงวนเนี่ยก็เด้โอ้อันที่ทํานี่เพื่อให้มันเกิดอันนี้เหรออะไรแบเนี้ยนะไม่น่าสามีจึงเปลี่ยนไปนะเขาว่าเขายอมรับได้สามีจะเปลี่ยนไปยังไงจะบวชจะอะไรคือเหมือนยอมรับได้ชีวิตแต่ก่อนก็กลัวเหมือนกันนะกลัวอะไรเอ้าเขาว่าจะไปบวชนะแต่ สามีงวดนี้ปฏิบัติทำรรก็ได้แต่รู้อย่างเดียวนะมันก็มีแค่กระทบทางตาก็ไหลไปทางตากระทบทางหูมาเฝ้าดูก็ไหลไปทางหูนะจมูกลิ้นกายกระทบทางไหนไหลไปทางนั้นแต่เมื่อไหรที่กลับมาดูปัจจุบันเอ้ามันก็มีแค่ยันไหลไปกับตาหูจมูกลิ้นกายเ ท, ทน่ทนั้ น, เ อ, นเอนอไไนงไม่ปล่อยให้อุปทาน ไหลออกไปกระทบคือกระทบแต่อุปทานจะออกไปรับเอาเขาว่ามางวด น, นี้เข้าใจได้แค่นี้มันก็อยู่แค่นี้มนไม่ไปหน้ามาหลังนะมันเพียงระวังและลึกรู้อยู่พอเราระวังและลึกรู้อยู่ปัจจุบันเอามันก็ไม่ไหลไปละนะอันนี้คือความต่อเนื่องเราจะสังเกตดูนะโยมคนไหนที่มาปฏิบัติทมแล้วเขานิ่งทำอะไรต่อเนื่องจริงๆเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นนะ แต่เวลามองดูพระเราก็ขยันเดินดีจังอะปฏิบัติธรรมแต่พอตอนเย็นพาะก็ไปพูดหัวเราะสนุกสนานอยู่ในน้ำตกในฝ่ายนั้นเสียงดังมันที่โยมมาถามหลวงตาทําไมพระเราเสียงดังจัง เ, เขามีเสียงมากมั้งเขาเลยดังคือถ้าเป็นอย่างนี้เราเปรียบเทียบว่าเราไม่ระวังตัวนะ่ะไม่ระวังความรู้สึกเราไม่ได้สังเกตเนี่ย มันไม่เปลี่ยนแปลงให้มันไม่เปลี่ยนแปลงให้คือเราทำความเพียรเหมือนกันกับโยมเขาอะทำเหมือนกันเวลาเท่ากันฟังธรรมะจากพระองค์เดียวกันข้อความอย่างเดียวกันแต่เราประมาทมากไปงั้นทำความเพียรก็ไม่มีผลไม่มีผลต่อการที่จะผลักจิตให้มันขึ้นที่สูงหรือเจอสภาวะธรรมอะไรขึ้นมาพราเราไม่รู้จัก ว่าเออจะกำหนดรู้ทำให้มันต่อเนื่องอะไรที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเราพอเข้าสู่สนามรบเ ร, เราทิ้งหมดเลยอาวุธเราเนี่ไม่ได้มีพอเราไม่มีอาวุธเอาจิเลตมันก็โจมตีเลยเนาะฉันถามว่าจะได้ปัญญาไม่ไม่ได้อ่ะ ม, มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเวลาเราพูดเราคุยกันโอ้มาไม่มีสติเลยบางทีเนี่ย จะได้ให้กำหนดรู้คุยกันมากเกินมันีแม้แต่อยู่ใกล้ๆหลวงตา ก, ก็ยังเสียงดังอยากคุยอะไรก็คุยเน่ะนะมันความละอายมันไม่มีโอน่าจะเกรงใจอมไห่เหมาะสมแล้วนี่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมใหม่นะเราเป็นคนที่มีบาดแผลนะชีวิตเนี่ยต้องดูแลรักษาเยียวยามันอย่าไปขยับมากเพราะขยับมากเปิดมากเผยมาก แมลงหวีมะแรงวันมัตอมมันไข่ใสอันตรายอย่างเงี้ยบางทีบางคนทําตัวเองเหมือนคนหายโรคแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็ประมาทนะอย่าประมาทและลึกรู้อยู่เสมอเนี่ยนีเขาต้องบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้เนี่ยภิกษุควรอยู่ในคอกอยู่ในคอกคือย อ, อยู่ในกรอบกันะบครูบาอาจารย์คอยชี้แนะชี้นําคอยประคองเลยถ้าเราไปคนเดียวตามใจตัวเองบางที หลุดไปโมดแล้วแต่จะเป็นยังไงงั่นต้องรู้จักสงบปากสงบคําสงบกายสงบวาจานะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มาจากใจถ้าเราเห็นใจปุ๊บเอาหยุดคิดมันก็หยุดปากหยุดพูดหยุดคิดมันก็หยุดกระทํามันก็จะลดลงลดลงลดลงแต่ถ้ายังมีความคิดอยู่การกระทํามันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาตนะิเพราะมันมีแรงผล ข้างไหนพลังงานมันมีเนี่ยพลังมันมีมันก็ต้องทํางานพลังตัณหามันมีอยู่ในใจทําไมมันจะไม่เกิดพฤติกรร ม, ะมนะมต้องไปทํำนั้นเวลาเราจะออกจากที่จุกรมจออกไปแอลแล้วเดินคุยกันไปแล้วอะนะตะโกนเสียงดังนั่นปัญหามันเพียงแต่ว่าเออจะตะโกนไปบอกเพื่อใช่ที่ แต่มันก็เสียงดังโดยว่ามันอยู่ในน้ำตกเนี่ยมันดังเราคุยกันกลัวไม่ได้ยินนะใครๆก็มองดูไปมองไปก็เห็นหมดนะอ๋อเป็นอย่างนั้นนะนะนั่นอย่คิดว่าคนมันจะเหมือนกันทุกคนนะคนมีสติปัญญาคนที่เขาสั้งเกตก็มีนะมีแล้วเขามาอาบน้ำอ้าวมองดูไป คนเขาสังเกตก็มีไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาไม่ได้คิดว่าเวลาคนมันได้อารมณ์เนี่ยมันจะมองออกเลยว่าโอ้พระท่นี้พวกนี้เขาได้อารมณ์ด้วยเหรือเนี่ยเป็นอย่างนี้มันจะได้อารมณ์หรอเนี่ยคนที่ได้อารมณ์มันจะดูออกแต่คนที่ยังไม่ได้อารมณ์เขาก็ไม่ใส่ใจอะ่ะโอ้ท่านคงทําได้ละมั่งเลยมันเพราะเรามีไม่มีการสังเกตนะพอหลับก็คือหลับพอตื่นมากจกคุยก็คุยมันเลยไม่มีอะไรท่าต้องใส่ใจจริงๆ ชีวิตในวันหนึ่งเป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างอื่นได้นะไม่ใช่แหวะ ว, ว่ามันจะเป็นอย่างเดิมนะเราระลึกนึกได้ตอนไหนไมันเป็นตอนนั้นนะอ่ะเย่าถ้าสมมติวเนี่ยหลวงตาพูดเนี่ยอา้าเอาไปแก้ไขเลยปรับปรุงเลยเวลามาสังเกตเลยจิตมันก็เปลี่ยนไปนะคือสำคัญว่าสัมผัสฟังแล้วจะไปพัฒนาไปทางไหนถ้าเอาไปหงุดหงิด ต, ติดอารมณ์ไปทุกทันทะี น, น่อนเีย นะถ้าดูเป็นเนี่ยเกิดการสังเกตก็เปลี่ยนแปลงเกิดยาณทัศนะได้ทันทีเนะียมันไม่ใช่ยอมรับหรือไม่ใช่ปฏิเสธนะแต่การเฝ้ดูจิตตัวเองเป็นนะเนี่ยเพราะว่าผู้ฟังก็ฟังด้วยใจว่างๆผู้พูดก็พูดโดยเมตตานเนี่ยนะไม่ได้ติดติ่งเพื่อให้เกิดความอิจฉาละอาใจความโกรธเกลียดเป็นแผลในใจอะไรแบบนี้ ถ้าเราทำเหมือนคนใหม่นะทําอะไรไปอาบน้อบาอาบถาตอนนั้นตอนนี้ก็สงบคือหลนตา ก, ก็คิดอยู่ว่าขนาดเราอยู่ในวัดเนี่ยเวลาออกมาตรงที่ลงทะเบียนเนี่ยยังคุยกันเสียงดังเลโอ้ยถ้าไปอยู่ไกลมันเจอกันก็ต้องคุยดังและก็ดังมากกันอีกด้วยครับเป็นเรื่องธรรมชาตินี่ก็ยอมรับได้แต่ก็อยากเอาไปฝึกนะเวลาไปเจอสถานที่แบบ น, น, นั้นแบบนี้อาจจะเกิดเปลี่ยนแปลงว่าออาจจะเก็บอารมณ์อา จ, จะสงบ อาจจะตั้งใจอาจจะตื่นตัวตื่นคนอะไรประมาณเนี่ยนะก็เพราะว่าคนเรามันมันมีแบบนี้แหละเราถึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะบอกจะสอนว่าวันนี้มันไม่ดีพรุ่งนี้มันก็นกนดีคนเราถ้านะฟังอยู่เรื่อยเหมือนเอาน้าร้อนไปลวกผักอย่างเงี้ยวันนี้มันไม่สุกเอาลวกอีกลวกอีกลวกอีกลวกอีกมันต้องสุกครถ้ามันมีความร้อนจริงๆนะ มันร้อนมันต้องเตือนตัวฉนั้นสติปัญญาของเราก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติทมเจอสัจธรรมเจอพระสัจธรรมคกอการบอกการสอนการแนะนำอะไรไม่รู้สึกตัวเลยว่าควรหรือไม่ควรอะไรเนี่ยมันก็ไม่หวเขามันจะไม่ดีตอนนี้นะก็ค่อยดีไปนะแต่อะไรพฤติกรรมห ย, ยาบหยาเบื้องต้น ที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรหรือการกินการหลับการนอนหรือการงานพวกนี้ยถ้าทําธุระทก า, ร า, รกาการงานเขาเรียกว่าการงานแต่ถ้ากําหนดรู้เมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานถ้าทํานั่นเขาเรียกว่าการงานทําเวียดเวียดนะเวียดหรือภาษา w o r k, M w k เมือนเหมือนกันนะ อันนั้นทํากรรมฐานนั่นทำการงานถ้ามองมาทั้งโลกทําแบบเพื่อโลกสติมีความมุ่งหวัง เ, เพื่อดับทุกข์เมื่อไร่เนี่ย เ, เป็นกรรมฐานเมื่อไรที่มองออกไปข้างนอกมีรูปรสกลิ่นเสียงปีิจัง่งนิพกานงานเป็นการงานนะไม่ใช่กรรมฐาน อืมแต่ก่อนมันเป็นนักกรรมฐานนี่ก็เป็นนักกรรมกรเนี่ยแล้วแต่ว่าจิตเราตอนนเป็นอะไรยังไงนะเวลาเรามาอยู่นี่ก็เอืมใส่ใจไม่มีเวลาเดินบินธบาตเราก็รู้สึกตัวกลับมาได้อะไรอ่ะเราสังเกตดิจิตตัวเองดิไปบิณธบาตเนี่ยมันติดอะไรกับหมามังนะไปเห็นภาพติดภาพมาไหมไปเห็นรู ป, ปเห็นรถ กินเสียงอะไรเนียมันติดมาไหมถ้ามาติดมาก็มันก็ทำให้เกิดปัญหานะเราก็มาชำระล้างมันออกแต่ถ้าไม่ติดมาก็เราจะได้ภูมิใจโอ้วันนี้ไม่ติดอารมณ์อะไรเลยนาะไปบินบัตกลับมาเลยเลืนล่นเลกรู้ได้มาจุดถึงที่อา้าวสงบสงัดสบายแล้วทำความเปลี่ยนต่อสักน้อยก็เกิดปีติปลาโมดขึ้นมาเขาเรียกว่าเกิดฌานนะ เราสามารถมองไปเห็นการเกิดการดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรากฏเกิดขึ้นได้นะเห็นเป็นรูปดับได้คือมันยินดีพอจะมีพลังจะกลับไปวินทบาทเนี่ยเราเริ่มรู้กลับมาเห็นอารมณ์เราเองเอา้ามันดับได้ทุกหายไปเอา้าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ทุกหายไปทุกหายไปมันมีความยินดีมีความภูมิใจนะ นมันมีความภูมิใจกับสิ่งที่เป็นที่มีเนี่ยมันสบายอกสบายใจใจแล้วมันผ่องใสใจมันเบิกบานใจมันสวยสดงดงามขึ้นมาตัวสังเกตดูดิที่มันก็สามารถได้ฌานได้ตามปรถนาหรือนะเกิดญาณทัศนะเกิดวิปัสนาญาณคือถ้าฌานมันเข้มแข็งวิปัสนาญาณก็เกิดทำลาดับ คือเหมือนมันตั้งมั่นได้ไปบินบาตรกลับมาเนี่ยก็ออยังมีความตั้งมั่นอยู่นะยังไม่หลุดออกจากปัจจุบันธรรมนะไม่ติดอารมณ์นะนะได้ไม่ได้ไปเจอรูปรถกลิ่นเสียงอะไรกลับมาแบบอรู้ตัวดีอะเวลาบินทบาทเนี่ยเวลาโยมเขาใส่ถ้าเขาตัวเล็กๆเนี่ยเขาโค้งตัวลงก้มลงก้มหลังลงรับ ไม่ใช่ไปย่อขาลงนะเห็นในหลายคนจะไปย่อขาลงนะคือเราไม่ดูว่าครูบาอาจารย์เขาทําอะไรยังไงในสถานการณ์แบบไหนเนี่ยนะเราไม่ดูว่าเออเขาวางยังไงเขาแต่เราไม่รู้เพราะคือมันไม่มีปัญญามันก็ไม่มีปัญญานะมันคิดเอาเองทั้งนั้นนะไม่ถึงการสบ า, ายบาดเนี่ยสบ า, ายบาดแบบโยมเขาจะสบ า, ายบาดใบซ้ายใบควาแยแต่พระกรรมฐาน เขาสะพายนี่เขาจะลัดไหลสองข้างไปนั้นเขาจะทําไม่เหมือนกับการสะพายแบบคารวาะคารวะทําแบบไหนก็ไม่ทําำคารวะเนี่ยเวลาเขาทำแบบไหนพระสงฆ์ไม่ทําแบบนั้นคือเปลี่ยนไปแต่เราไม่เคยดูนะเฮ้ยกูทำแบบนี้กูคเคยทาแบบนี้แล้ววะอะไรประมาณนั้นนั้นกายอาการกายวายาจอย่างอื่นที่ต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ถามว่ามันดีไหมปัจจุบันเนี่ยใครเป็นคนวัดให้ว่าดีไม่ดีมต้องอาศัยคนที่รู้มากกว่าเราเนะนะที่เรามาอยู่กับภูไศลยาอย่างคือเพื่ออะไรเพื่อพัฒนานะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการสังเกตเอาจริยวัดข้อวัดปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมคำสอนพวกเนี้ย เต้านมเอามาใส่ใจเราอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมเมื่อท่านไปปาทําไม่ท mm ํา hmm. ำไม่อยู่ในวัดเอาออไปบางทีเห็นอยู่ในกุฏิบางรูปบางองค์แต่ก่อนอยัง mm hmm. ลูกผู้สั่งอะไรเนี้ยก็จะชอบใส่เสื้ออะไรประมาณนั้น mm hmm. อ้างหนาวอย่างนั้นอย่านี้ลมตะวันหนาวก็ไม่เป็นไรหรอ ก, mm hmm. รอกเอาจีวรเรานี่ห่มแต่พับๆแล้วก็ห่มคุณ ม, มันจะหนาวขนาดไหนอ่ะนะ mm hmm. เราอย่าเอาเรื่องของคารวาสมาอ้างครเมื่อบอกก็บอกยากงุนงิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าติติงอะไรน้อยๆเนี่ยแก้ไขเลยอันนี้ไม่เหมาะนะอะไรประมาณโอเราอาจจะไม่ได้พูดมากมายนะเพรเป็นโยมแล้วเหลือเนี้ยแค่นี้ก็ถือบั้นหนักเราควรเปลี่ยนแปลงได้เลยควรจะทำยังไงก็พัฒนาคืออะไรที่ติติงละก็แก้ไข คืออยากใส่น้ำไปในเนื้อมันด้วยอะสิ่งที่พูดใ น, นสื่อความหมายอะไรแล้วก็เข้าใจอ่ถ้าจะให้บอกแต่เรื่องส่วนเรื่องตรงตรงมันอาจจะถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำแบบนี้เหรอไปจำอย่างนี้มาจากไหนมันก็นหนักไปอ่ะคือคนเราในี่มันง่ายมากที่จะตกเป็นลงอารมณ์ต่ำๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า อืจิตมันไหลไปอยู่แบบนั้นดูแล้วมันพร้อมที่จะรับฐานแบบนี้มันมีเยอะนะกิเลสเป็นฐานใจเนี่ยมันเยอะมากแต่สติที่จะเป็นฐานใจนให้เกิดความมักน้อยสะดวกทั่ไปเนี่ยมันยากมากนะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมีคําว่าทุ ด, ดงทุ ด, ดงเข้ามาด้วยการกระทําการฝึกจิตฝึกกายฝึกวิชาฝึกใจที่หนักกว่าเดิมที่หนักกว่าเดิมทุดดงไปว่า องคุณธรรมที่เข้มข้นมากกว่าปกติขนาดพระธรรมวินัยที่พระเดียวยท่านบรรัญญัติไว้นี่ล้วยังหย่อนยานและจะพัฒนาให้มันยากขึ้นกว่าเดิมจะได้เลยไม่ได้เอาจะชั้นมื้อเดียวอย่างเงี้ยจะนุง่งผ้าสามผืนเป็นวัดอย่างเงี้ยดาได้ไหมไม่มีชุดเปลี่ยนนะสามผืนเนี่ยเท่านี้เองเป็นวัดเนี่ยตลอดชีพเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะ บิณธบาตเป็นวัดแต่าเนี้ยฉันอาสนะเดียวเป็นวัดคือฉันเมื่อเดียวนั่นเองคือหลายหลายอย่างอ่ะอืมไปบิณธบาตเป็นแถวเดินตามแถวเป็นวัดเนี่ยไม่ไปคนเดียวก็มีหลายอย่างนะสิบสามสิบสี่สิบห้าข้อจนทั้งถึงนู่นแหละในสัจจิกังขะทุดงคนชอบอ่ะเนี่ยคนคนเือฮา ไม่นอนตลอดกลางคืนเอา้าแต่๋ยไม่นอนตลอดคืนไปนอนตลอดกลางวันก็อีกละก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่นสิ่งเหล่านี้เนี่ย เ, เป็นเครื่องมือในการขัดเกลากิเลสเราให้มันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนะถ้าปกติเรายังทะลุคําสอนพระเจ้าไปทําอย่างอื่นอยู่อแล้วจะจะทําอะไรไม่ได้ให้มีกับมี อันนั้นอันนี้มากขึ้นมาขึ้นมันจะสงบสงัดได้หรนะือจริงปัจจุบันเนี่ยโอ้ยมากมายหลากหลายนะทั้ง a ฟ e b ุ o k ทั้งอินเทอร์เน็ตมันจะสงบไปเลยจิตเนี่ยนะถ้ามันหลายเรื่องพบบนั้นมันจะวิเวกให้หรอมันจะสงบสงัดให้หรือเราเองจะตอบตัวเองได้มีทั้งโทรศัพท์มีทั้งอะไรประมาณนี้น ฉันจะบอกว่าเออจะทําวิเวกอย่างที่พุทธยอดท่านสอนว่าเออทำให้มันทุดดงที่ทำให้มันลดลงลบมันลดไม่ได้มันสงบลงไม่ได้มันสงัดลงไม่ได้เพราะจิตเราไปเกี่ยวเยอะผูกพันเยอะถ้ามันเกี่ยวเยอะก็เหมือนนี่แล้วเราไปในป่าในดงไปเจอหนามนี่เกาะเกี่ยวเสื้อผ้าแล้วมันเกาะเยอะเราเดินไปสะดวกไม่ไม่สะดวกนะะมันเกาะตรงนั้นมันเกี่ยวตรงนี้นะ ใจก็เหมือนกันเพราะมันไปเกี่ยวกับรูปกับรถกับการศึกษาการเผยแผ่การอะไรก็ตามจิตมันไปปลกพันมากแต่มันออกไม่ได้เลยนะเรงนั้นสัจธรรมเนี่ยทำให้มันสงบลงสงัดลงน้อยๆลงนะความสงบแปลอาจากไหนไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกถ้าเราสังเกตนะสงบที่จิตที่ความคิดอันหนึ่งต่อมาก็สงบที่ปัจจัยสี่ อาหารอาหารนะสองเสื้อผ้าอาหารบินดาบัเนี่ยให้มันสงบบ้างใยมันเยอะมากบางทีมีทําอะไรนี้หน่อยอา้าวกินแล้วหาแต่เรื่องกินนะนหาแต่เรื่องกินอยู่เลยรื่อยคารวะไงเออถ้าไม่ได้อา น, นิสงส์พรรษาอา น, นิสงส์ก็ถินผ่านไปเนี่ห้ามกินสองมือ้อบางทีไม่ได้ทําอันนี้นี่หน่อยหากินแล้วหาแต่เรื่องจะกินอะไประมาณนี้คือมันไม่สงบไง เสนาสานะอา้าวอยู่ในที่สงบสงัดตรงดูดิไม่ต้องมีอะไรปรุงแต่งมากมายอยู่แบบง่ายง่ายถ้าอยู่แบบง่ายง่ายก็สบายแต่ถ้าอยู่แบบเยอมันเริ่มมีการสะสมนะ้วตอนตาจะบอกเอเอาสามพรรษาลองลองสามพรรษาเนี่ยเราถือว่าก็มีอายุบรรษาเป็น เ, เริ่มเป็น ใกล้ๆ ก, กับนวกะนวกะในห้นาพรรษานวกะคือผู้ใหม่นะต่ำกว่าห้าเราลองอยู่ในที่ส่วนตัวลองดูดิมันสงบสงัดไหมแต่มันที่ตามมาคือมันจะสะสมสะสมนังซื้อนังหาตำลับตำลาอาหารการกินอะไรประมาณนั้นนะนะยังไม่ชี่ที่นูอยู่กับเราแตยก่อน ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาเดี๋ยวไปออกไปข้างนอกไม่ได้แอบซื้อกาต้มน้าร้อนเข้ามาซื้อชาซื้อกาแฟซื้อเครื่องดื่มมาไว้ในกุฏนะิเวลาลงตาไปลงตาบอกอันนั้นะนี่งุนงิดทุกข์นะตัวตาว่าทําไมทําแบบเนี้ยนะอ๋อไม่ค่อยสบายเป็นนู่นเป็นนี่อะไรประมาณนั้นนะ ถ้าหากวันมีความคิดความหวังสลับซับซ้อนอยู่ในตัวไปเนี่ยมันจะยากทันทีคนยิ่งฉลาดยิ่งต้องระวังตัวเองพ้องแบบนี้นะมันก็มีอย่างหนึ่งก็คืออาวการกินเราไม่สงบสงดัดมันไม่วิเวกนะถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยถ้ากุติตัวทั่วไปตามพุทิก็จะมีคือเขาเป็นนะ ก็จะเริ่มต่อไฟฟ้าเอาเองบ้างเข้าในกุฏิมีที่เสียบอันนั้นเสียบอันนีนะ้เดี๋ยวในห้องน้ำเราไปดูเพื่อเปิีเนี่ยเอามีที่ตัดต่อเสียบโทรศัพท์บ้างเสียบต้มน้ำดื่มอะไรมึงนะคือมันยากไม่ใช่มันมันง่ายนะขนาดเน้นี่อยู่เนี่ยเวลาเราไปดูในกุฏิแย่นะมีแต่ของกินนะ มีน้ำตาลมีนมมีอะไรสารพัดแต่จะวางไวนะ้เนอะแกหยิบไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละหรือซื้อมาก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันไม่สงบส ง, งัดในความเพียรมันไม่ดันไปเข้าหน้าได้หรอกนะมันยากคือเราหลอกตัวเองเราอยู่กับสิ่งที่มันไม่วิเวกในแต่ละวันแต่ละวันไปเนี่ยมันเป็นปัญหานะลูกตามีอนั่นนี่คนมาถวายทิ้งไว้เฉยเนะว่า ไปดูที่อะไรมันก็เท่าเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะซึ่งมันยากกว่ายากกว่าที่ต้องไม่มีมีแต่ก็เฉยไม่มีอะไระเสนาสะนะลองที่ให้มันสงัดิถ้าอาหารบิณฑบาตเสนาสะน ะ, จะใจมันสงบไม่สงบเรื่องอาหารแล้วก็สบเรื่องที่อยู่ที่อยู่เอมรพอสงบสงัดคือถ้าฝึกสติได้เพราะว่าวัานขอดเราฟังหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดนะ มรดกที่ฝากไว้ทนวดปรามัตถธรรมเนี่ยมันเป็นฐานของจริยธรรมไม่ใช่ฝึกจริยธรรมเพื่อเป็นฐานปรมัตถธรรมนะประมัตถธรรมเป็นฐานของชีวิตทั้งหมดอืมันใช่มันต้องเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากเสนาสะน ะ, จะใจมันสงบสงดัดได้เนี่ยเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วถามว่ามันสงบสงัดไหมมันเยอะมากเยอะมากขึ้นมากขึก้นโน้นตั้งกําลังจะคิดว่า อา้าวไปใส่กุญแจดีไหมเนะี่ยห้องเพราะว่าเห็นพระวิ่งเข้าวิ่งออกเยอะมากนะเรื่อยเรื่อยเรืนะ่อยเรื่อยะคือเอาพอดีเพราะสังเกตเราไปดูเดินดูในกุติมันเยอะนะมากแล้วก็อีกสัหน่อยเนี่ยที่เอาของเก่าพวกนี้เรามากองไว้นะเอาพอดีอะ่ะสิ่งที่เรามีอย่างถ้ามีจีวรสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งเรานุ่งห่มแบบนี้แหละ ในนี้เขาเรียกว่ามหานิ迦ิแปลงแปลงแปลงตัวเหมือนเหมือนกับมหานิ迦ิเนี่จะมัดเอียวนะแต่ไม่รัดลูกบวบไปนี้อไม่ได้ม้วนไปนี้แต่ม้วนแบบนี้เป็นธรรมยุทธแต่รัดเอียวไปมหานิ迦ิอันทั้งมหานิายทั้งธรรมยุทธมาอยู่ในเราหมดเลยะเอามาอยู่เขาเรียกว่าแปลงคือไม่เกี่ยวอันนี้คืออจริยวัดนี่เอามาจากหลวงพ่อพุทธทาส หลวง่อพุทธทาสเด๋ยวจไม่ไเกี่ยวอะไรมัดมัดมดีมันอ้วนทวนสมบูรณ์ในประมาณเนี้ยมันต้องมัดไว้นั่งสะดวกเนี้ยมันรัดมันมีสเตรัดเอวเเป็นผ้ายืดหน่อยมันก็ถ้าผ้าไม่ยืดมันนั่งลงเนี้ยมันมันบีบเอวเป็นรอยถ้าผ้ายืดนี้จะดีไปอีกแบบหนึ่งเสนนสนะที่เสื้อผ้าอยู่อาศัยมันซักมันทําความสะอาดอืมอย่างครูไปเฉียดเนซักผ้าดีมาก ะไปเจออะไก็เห็นท่านไปตากผ้าทุกวันทุวนัวนกลางๆซักดีจังอรับทำสะอาดดีจังแต่ว่านุ่งไม่ค่อยสวยจั้นแหละนุ่งสบงก็ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าซักดีจังทำสะอาดเสื้อผ้าดีมันยังไม่ดีมอาจจะเป็นพ่อหุ่นไว้ให้หรื อ, อยังไงไม่รู้นะนุ่ว่าจะพานุ่งหลายรอบอยู่หรือเอวมันไม่พอรอบเอวนะแต่ก็ดู ขยันซักดีอฮะท่านทาสะอาดดีเสื <600. S 1> possible, ้อผ <Lightning. S 1> ้าชอคของใช้แล้วซักซักดีเอามาแล้วก็เก็บให้เป็นระเบียบนะในกุฏิพั๊บปัเก็บเรื่ยระเบียบแล้วก็ใส่ถุงไว้ถ้าเป็นทางเชียงใหม่เนี่ยชื้นเน่าบ้าเนียเห็นแม่เราไปเนี่ยหกเจ็วันซักผ้าไม่ได้เลยมันไม่แห้งรถตากกลับมาซักวัดนะห้อตากขนาดผ้าเช็ดตัวเฉยๆก็ไม่แห้ง ไม่ให้มันก็จะขึ้นราเนี่ยแล้วก็มาเรื่องนี่นะถ้าเสนาสนบสงัดเราเคยสังเกตว่าที่เราก็ปรากฏบ้า ง, ล ก, า ก, างกลางเต้นบ้างนอย่างหลวงปูสังปีก่อนปีท่านก็อือยู่ในกุฏิมันยังไงอ่ะเอา้าลงไปอยู่ในที่ศาลาข้างล่างดูดิไปจำบันสายอยู่ข้างล่างเดินจักรก็ไม่มีที่มุงที่บางตือนบ้างเดินจักกม้มเข้ามาเดินจักกม้ม ขึ้นมาก็เดินจุกมเอา้ามันก็พัฒนาไปได้นะอ น, นี้่จะเดินสติเนี่ยแต่มันมีปัญหาคือเอา้าเดินจุกมดีเนี่ยขยันดีอห็นวันทาว่าเอากุญแจไม่โดนตาถือไว้ไม่เอามาดีเราเดินจุกมไปสนอยเอาขึ้นมาดื่มแล้วเราลงไปเดินจุกม์อีกอย่างเงี้ยต้มน้ําร้อนอยู่ในกุฏิเนอนเสียบอเขียก็ลงไปมันก็ไม่มีเวกให้สติเพราะไม่กล้าตัดขาดเนี่ยมันต้องกล้าตัดนะ ถามว่าทําดีไม่ความตั้งใจนะี่ยเหมือนจะมีดีแต่ไม่เด็ดขาดกับมันเด็ดไม่ขาดนะเหมือนกันเน่ยเราจะแก้ปัญหาอะไรทั้งอย่างนอย่างเนี่ยต้องแก้แบบเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดไปเอารูปมมารวยกิเลสเนี่ยน ะ, ะโอ้ยถูกมันตบหัวรูปหลังไปเรื่อยเรืยเรื่อยเรมันก็ไม่เด็ดขาดท่านทําความเพียรเนี่ทําเยอะนะหลวงปู่เนี่ ทำความเพียรหน้าเริ่มใสสไตเพียนแต่ว่าเวลามันนั่นมาทางั้งก็จะเป็นโลกท้องว่ะเนี่ยโรคอันนั้นอันนี้มันก็เลยไม่ไปอ่ะพอมาถึงจังหวะหนึ่งที่ต้องตัดขาดกับมันเนี่ยต้องเด็ดขาดกับมันมันไม่ขาดตรงนั้นอ่ะอย่างเราง่วงเนี่ยพอถึงจังหวะที่มันต้งหนั ก, นกแทนที่เราจะทะลุไปได้เนี่ยเอ้ยแล้วก็นั่งพักผ่อนซะนั่งหลับซะเนี่ยมันก็ไม่เจอสภาวะทำอะไรสักทีนะทุกเนี่ยมันจะขาดก็ตรงนั้นแหละเราเด็ดให้ขาดไว้เนี่ย มันจะเกิดยาในะทัศนะก็ตอนนั้นแนหะตอนปัญหามันบางๆอ่ามันสุดท้ายคือยารักษาโรคนะยารักษาโรคเราจะเติ่มีอ น, นันยารักษาโรคนี้รักษาโรคแต่เราห่วงสังขารเราก็จะมากแนตะ่ยารักษาโรคก็มีหม้อต้มนั่นหม้อต้มนีนนน้ยานั้นยานี่เดี๋ยวก็เออเห็นโยงกันเลยเอาังเอายาไปให้หน่อยเน้อยาอันนี้อันนีนนนน้โอ้ยมากมายหลากหลายเอาไปมามันไม่วิเวกเล ย, เลยในปัจจัยสีเนี่ย ปัจเจสีไม่วิเวกถ้าปัจเจ sĩ วิเวกก็เริ่มมาเรื่องมีเรื่องที่ต้องทำคือเรื่องของใจก็ง่ายขึ้นเลยนะให้ลองลองเปน็นนกคิดวิจารณาดูนะเตรียมตัวกลา้ลาพร้อมกัน